คนเรานี่ทำอะไรมักแต่จะให้ผู้อื่นบังคับบังคับตนเองไม่เป็นอันนี้นับว่าเป็นความบกพร่องของคนเราอย่างนั้นผู้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปนิ้งนอนใจ ต้องหา ว, าวิธีบังคับตัวเองให้ได้เพราะมันตามใจตัวเองนั่นแหละมันจึงได้อ่อนแอลงคนเราทนะาความดีให้เข้มแข็งไม่ได้ธรรมดาของกิเลสนี่มันไม่ต้องการส่งเสริมให้คนเรานั้น มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปมีแต่มันจะจูงลงไปทางต่ำอันนี้มันเป็นธรรมดาเรื่องของกิเลสสำหรับผู้ที่มาเริ่มใสในพระพุทธศาสนามาเริ่มใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ไม่สมควรที่จะตกเป็นทาสของตันหาอย่างนั้นข้อวัดปฏิบัติอันใดซึ่งเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องทำก็ตั้งอกตั้งใจทำอย่าให้มันขาดตกบกพร่องโดยที่เตือนตนเสมอว่าตายแล้วไม่ได้ทำความตายมันอยู่ข้างหน้านั้น หลีกไม่พ้นถ้าไม่ทำความดีปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่ามันก็จะไม่มีบุญกุศลความดีอะไรเกิดขึ้นในตนท่านเรียกว่าเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ไมายเอาที่พึ่งทางใจ ส่วนที่พึ่งทางกายเนะี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่คนส่วนมากเนขาดที่พึ่งทางใจเพราะนั้นให้นึกถึงตัวเองให้มากว่าเรานั้นมีที่พึ่งทางใจแล้วหรือยังหมายถึงที่พึ่งที่ให้ความอบอุ่นใจให้ความเย็นใจนี่อันนี้ นวาสำคัญมากทีเดียวอ่ะคนที่มีจิตใจไม่ตั้งมั่นอยู่ได้หลาะและเลวไหลพุ่งซ่านเลื่อนลอยมือ้นล้วนแต่คนไม่มีที่พึ่งภายในทั้งนั้นเลยไม่มีคุณธรรมเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเหานั้นใจมันจึงได้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลส ผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามเข้าไปก็ยังไม่สายเกินไปใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้นะเราพยายามให้มันสงบมันก็สงบได้ในเมื่อเราทำถูกทางแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยไปไหนอาณาปานสติการตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออก อันนี้เป็นอุบายสำหรับระ ง, งับความฟุ้งซ่านของจิตได้โดยตรงเลยแต่ผู้ใดลืมหลักกรรมฐานข้อนี้แล้วไม่มีทางหรอกที่จะทำใจสงบได้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นเนี่ยจะไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นมันก็ไม่สงบลงได้มันเจริญไปไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นล เมื่อใจเลื่อนลอยแล้วเช่นจะไปเพ่งดูอวัยวะร่างกายต่างๆหมดนี้นะมันจะเพ่งได้ยังไงอ่ะใจไม่หยุดยั่งอยู่ที่เก่าเลยอย่างนี้มันเพ่งดูไม่ได้เลยหรือว่าจะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็เหมือนกันนึกไปได้เท่าไหรไม่เท่าไหรแล้วมันก็เลือนไปทางอื่นแล้วธรรมดาผู้มีใจพุ่งสั้นเลื่อนลอยแล้ว มันเพราะฉะนั้นแหละความจำเรื่องต่างๆมันจึงลบเลือนไปคนเรานี่นะเพราะจิตฟุ้งซ่านนั่นเองนะจำอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ออกอันนี้ต้องพิจารณาดูให้ดีผู้มีใจตั้งมั่นแล้วนะคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจ มันถ้าเกิดขึ้นมาเราคิดอะไรขึ้นมามันก็มักจะเป็นธรรมอันเมื่อใจตั้งมั่นลงน่ะมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้เองน่ะเรื่องนี้นะผู้ใดไม่ทำไม่รู้เพราะว่าหลักการปฏิบัติมันก็มีอยู่แล้วนี่ทำไมจะไปค้นคว้าหาลำบากอะไร อออย่างว่าศีลอย่างนี้นะเมื่อสัมรวมในศีลดีแล้วศีลเนี่ยมันก็สนับสนุนให้จิตใจเป็นสมาธิอย่างนี้นะนั่นเนี่ยสมาธิเมื่ออบรมให้ดีแล้วก็ย่อมเป็นบาตของปัญญานี่เรียกว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาใจที่ อบรมให้สงบระ ง, งับตัวดีลองสังเกตดูเนี่ยหลักปฏิบัติมีเท่านี้นี่ไม่ใช่ว่าไปมากมายอะไระที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไวมากมายนั่นก็เพื่อสนับสนุนข้อปฏิบัติสามประการนี้เอง เ, เพื่อให้คนมีความกล้าหาญในการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธ เพื่อให้คนมีความกล้าหาญในการภาคเพียนพยายามทำใจที่พุ่งซ่านให้สงบระงับลงนี่ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้คนเราใช้ปัญญาแบบนี้นะเพื่อให้รู้จักอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงนี่ มันต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิโดยตรงเลยจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเรียนทรงจำไว้ซึ่งคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ไม่เป็นไปเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นไปได้พวกศึกษาเรียนได้จำคำสอนของพุทธเจ้าได้มากๆหมู่นั้น มันก็คงบรรลุมรรคผลกันไปหมดแล้วสิผู้บวชเข้ามาก็จะไม่ซึกก็ปรากฏว่ามีมหาปริยนทั้งแปดประโยค์เก้าประโยค์อย่างนี้ก็ยังสึกไปอลองคิดดูนี่นต่เพราะฉะนั้นความจำในดังเพียงแค่ปริยัติเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะทำให้ รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงได้ต่อเมื่อผู้ใดมาโผล่เกีติใจอันนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปได้ดีอย่าให้มันงอนแง้งคลอนแขนเมื่อเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็อย่าให้วันไว้อย่าให้เกิดความโลภความโกรธความห ล, ลงขึ้นในใจ เนี่ยใจอย่างนี้แหละถึงเรียกว่าใจตั้งมั่นต่อกุศลธรรมถ้าไม่มีเหตุอะไรมากระทบก็รู้ว่าใจสงบดีตั้งมั่นดีเมื่อเวลามีเหตุอะไรมากระทบก็ไปแล้วใจพุ่งสั้นวันไหวไปตามเหตุนั่นๆอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้ือภาวนาของผู้นั้นใช้ไม่ได้ เดียวยังใช้ไม่ได้ต้องประกอบความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปให้เข้มงวดเข้าไปกนั้นต้องหัดอ ด, ดทนถ้าไม่มีความอดทนประกอบเข้าด้วยไม่มีทางหรอกที่จิตใจนี้มันจะตั้งมัน่นมันจะเป็นสมาธิอยู่ได้นี่แหละคุณธรรมต่างๆนะเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิ คือขันติความอดทนนี่สติสัมปชัญญะโมนีล้วก็ความเพียรเอาในขณะนี้จิตใจมันสงบลงไม่ได้ก็ไม่ถอยต่อไปก็ทำอีก เ, อเพ่งพิจารณามันอีกเนี่ยทำอย่างนี้นานไปนานไป เมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็สามารถบังคับบังคับจิตให้สงบลงได้มันเรื่องของเรื่องมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำความเพียรเพียงไม่มากเท่าใดเดี๋วใจมันสงบลงได้ถ้ามันไ ม, ไม่สงบลงได้แล้วก็ถอยหลังเสีย โดยเนึกว่าไอ้เรานี่ไม่มีวาสนาบารมีที่จะมาปฏิบัติทางจิตใจอย่างนี้ได้หรอกถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็สึกษาลาเพศออกไปคนใจฟุ่งซ่านเลื่อนลอยอย่างนั้นสึกออกไปผมก็ไปทำบาปของเก่านั่นแหละไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนไปทั่วอะไรแะเนี้ หรือทำชั่วอื่นๆ น, นอกนั้นไปอีกเพราะคนใจเลื่อนลอยมันจอยางงั้นไงมันจะเอาดีไม่ได้เลยถ้าเป็นคารืหัดอย่างนี้ก็มักจะไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาดกับคนอื่นเรื่อยไปเพราะว่าคนใจเลื่อนลอยนี่มีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมานิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็ไม่ไหวละมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่ได้ ก็มักจะตอบโต้ไปเลยทำเรืองเล็กให้เป็นเรืองใหญ่ไปนีโทษแห่งปล่อยใจให้เลื่อนลอยมันไม่มีความดีอะไรสักอย่างเดียวมีแต่ทางเสียเพราะฉะนั้นให้พึงสำรวจกรวดกาดูจิตใจของตนทุกคนว่าใจของตนมันเลื่อนลอยไหม มันก็รู้ได้แหละตัวเอาตัวทำไมจะไม่รู้ละ่ะหรือว่ามันไม่เรื่อนลอยมันก็รู้ถ้ารู้ว่ามันไม่เรื่อนลอยอย่างนี้ก็ประคองจิตนั่นไว้ให้สม่ำเสมอไปอย่าไปปล่อยปละละเลยบางคนเห็นว่าใจของตนเป็นปกติอยู่ ก็ประมาทเสียเลินเล่อไปหน่อยนึ่งจิตก็เกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันไม่รักษาจิตไม่มีสติประคับประคองจิตที่เป็นปกติอยู่นั่นโดยเข้าใจว่ามันจะตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่ใช่ก็เมื่อบุคคล บำเพ็ญทางจิตใจไปยังไม่บรรลุถึงสัจธรรมยังไม่บรรลุถึงธรรมของกิงหรอกใจนี่มันจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปไม่ได้เลยเมื่อมีกิเลสมาโยวยนเข้ากวันไหวไปตามกิเลสสำหรับท่านผู้บรรลุถึงอริยสัจธรรมแล้วอย่างนี้ท่านจะไม่วันไหวหมายความว่า ท่านได้บรรลุอริยสัจธรรมประเภทใดจิตใจของท่านก็ตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมประเภทนั้นแม่กิเลสอย่างอื่นที่มันจะมายั่วโยวนชนให้หวันไหวไปตามก็ไม่วันไหวไปตามแต่กิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้มากระทุกกระทั่งเข้าก็อาจวันไหวไปได้ ถึงพระอริยบุคคลขั้นต่ำเนี่ยอก็ก็จะต้องทําความเพียรต้องสํารวมตนอยู่อย่างนั้นเว้นเสียแต่ท่านพูดสาเร็จอรหั ต, ตผลแล้วอันนั้นท่านท่านไม่ได้ทําความเพียรเพื่อละกิเลสเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงอะไรต่อไปอีกไม่มีมีแต่ทําความเพียรเพื่อ เปี่ยนอริยาบทอให้สม่ำเสมอไปเพราว่าร่างกายอันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนอริยาบทให้สม่ำเสมอไปมันก็มักจะํารุดสุดโทรมไปไง่ายท่านประคับประคองร่างกายอันนี้ไว้ก็เพื่อที่จะสงเคราะห์ชาวโลกผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมของจริงนั่นให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงตามกันไปเท่าที่มันจะเป็นไปได้เมื่อท่านหมดบุญหมดกราสนาบทอายุสังขารลงไปแล้วท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปก็เป็นอันว่มหมดเรื่องกันไปไม่ต้องมาบนทุกบนยากอยู่ในสงสารนี่อีกต่อไป ผู้ใดยังลากีิเลสไม่หมดมันก็ต้องมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายบ่นทุกบ่นยากต้องมาสเสวงหาบุญกุศลด้วยความยากความลำบากอยู่อย่างนี้แหละการทำบุญการบำเพ็ญกุศลมันก็ลำบากเหมือนกันการทำมาหาเลี่ยงชีพก็ลำบากล้ำบนโย แต่คนผู้มีวาสนาบา ร, รมีน้อยอยู่นั้นมันนึงมองไม่เห็นทุกเหล่านี้เพราะ ม, มันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นเนี่ยความสุขชั่วคราวนั่นแหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกสำหรับท่านผู้มีอินทรีย์บา ร, รมีแก่กล้าเข้าไปแล้วท่านก็มา เห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในชีวิตนี่เพราะว่ามันเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะเพราะอัตภาพร่างกายอันนี้มันอาศัยปัจจัยสี่อาศัยข้าวนา้ำ อ, อาศัยผ้าหนุ่งผ้าห่มอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเช่นอาคารบ้านเรือนหรือว่ากุฏิวิหารอย่างนี้นะ อาศัยยุกยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่อาศัยปัจจัยสี่นี่ธนุบำรุงอยู่มันก็จึงพอประทังอยู่ได้ร่างกายอันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็อยู่ไปได้ชั่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่นานเท่าไรหรอกไม่เกินร้อยปี บุญกุศลที่ทํามาต่ชาติก่อนมันมันก็ล่อยหลอลงในที่สุดมันก็หมดไปได้เมื่อบุญหมดไปแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้จะต้องแตกดับทําลายไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมานิ่งนอนใจกันอยู่ทําไมล่ะจะมาเพลิดเพลินไปเอาะอะไรกับโลกสันิวัดอันนี้ เนี่ยมันก็ต้องเตือนตนเข้าไปเรื่อยๆมันต้องเตือนตนไม่เตือนตนจิตมันไม่ตืน่นไม่เตือนตนแล้วจิตมันไม่ตืน่นต้องมันเตือนตนบ่อยๆเพราะว่ามันมีอวิชชาหุ่มหออยู่จิตนี่นะดังนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญา เป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องสอนจิตนี้อยู่บ่อยๆเป็นนักปราดทั้งหลายท่านย่อมมีอุบายสอนจิตของตนไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่างท่านพระจักขูบานนั่นเมื่อท่านไม่นอนตาท่านก็วิบัติลงแท้ที่จริงไม่ใช่วิบัติเพราะอดนอนนั่นหรอก มันวิบัติเพราะแต่ชาติก่อนนนเป็นหมอยาตาไปใส่ยาตาอันมีพิษให้คนคนหนึ่งจนเขาตาบอดกรรมนั่นเลยตามมาสนองเอาแต่มันกน็มันก็ไม่บรรดาให้บอดทีเดียวมันให้เจ็บให้ปวดไปซะก่อนวันนี้ท่าน เมื่อหมอเขามารักษาหมอแนะนำให้นอนหยอดยาตาท่านไม่ยอมนอนเพราะท่านตั้งความสัตว์ลงแล้วตายเป็นตายบอดเป็นบอดเช่นนี้หมอก็ยอมทอดทุระหมอไม่รักษาแล้วถ้าท่านไม่นอนหยอดวันนี้ท่านก็นั่งภาวนา สอนตนมาดูก่อนจา ก, กุบานบัณฑิหมอเขาทอดทิ้งท่านแล้วนะท่านอย่าประมาทในที่นี้ญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราก็ไม่มีมิตรสาหัยก็ไม่มีที่จะมาช่วยเหลือเราได้ไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือให้เราละกิเลสละอุปาทา น, นยึดมั่นในขันห้านี้ได้ มีแต่ตนเองเท่านี้แหละสอนตัวเองให้ละอุปท า, านความยึดมั่นถือมันในขันห้านี่ลงมันถึงจะพ้นทุกข์จึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะขันห้านี่เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละมันก็ทนได้ยากลำบากมีตาเมื่อตาวิบัตมาก็เจ็บตาเมื่อเจ็บตาแล้วมันก็ไปเจ็บใจนู่นด้วยทีนี้ มีหูมาเมื่อหูเป็นหนองหูเป็นโรคก็เจ็บหูเมื่อเจ็บหูแล้วก็เจ็บใจด้วยแม้จะหมูลิ้นกายทุกส่วนบนนี้เหมือนกันนะเมื่อมันวิบั ต, รติรงไปมันเจ็บตรงไหนแล้วมันก็ไปเจ็บถึงใจด้วยใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแหละพุทธบริษัทไม่ควรประมาทเพราะร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ด้วยผลบุญที่ตนทํามาแต่ชาติก่อนด้วยแล้วก็เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่ปัจจุบันนี้ด้วยทีนี้เมื่อขนบุญที่ตนทํามาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงปัจจัยสี่นี่ก็ช่วยไม่ได้เลย แม้จะมีสมบูรณ์บริบูรณ์ยังไงก็ตามเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วธาตุขันนี่มันไม่รับอาหารเสียเลยนี่เมื่อเมื่อธาตุขันนี่มันไม่รับอาหารแล้วมันจะไปอยู่ได้อย่างไรวะนี่นั่นแหละมันก็แตกทาลายลงเท่านั้นเองดังนั้นเราต้องรู้ไว้ต้องภาวนาเตือนตนว่า บุญกุศลที่ทนทํามาแต่ก่อนมันไม่มากเท่าไรนะมั้นมันไม่สามารถที่จะอุปธรรมบํารุงร่างกายนี้ให้อยู่ไปถึงร้อยปีไม่มีหรอกคนสมัยเนี้ยมีกันน้อยเต็มทีส่วนใหญ่แล้วไม่ถึงร้อยนั่นเองก็มักจะแค่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีนี้แหละเป็นส่วนหลายเลย คนทุกวันเนี่ย mm hmm. ก็เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เราจะไปนิ้งนอนใจทำไมก็พยายามรวบรวมเอาบุญเอากุศลพยายามสั่งสมความดีเข้าใส่ตนไว้ผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสปฏิบัติตนแต่ยังหนุ่มยังน้อยอย่างนี้นะก็ยิ่งได้บุญหลาย เพราะว่าคนหนุ่มคนน้อยนี่มันมีกำลังเรียวแรงดีทำอะไรก็ทำได้ดีไม่ค่อยเน็ดเนื่อยเมื่อยล่า ง, ง่ายๆมันเป็นอย่างนั้นแต่กรนั้นแหละบางคนมันถึงแม้จะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่ใจก็ไม่เอาไหนอีกแล้วเมื่อใจอ่อนแอแล้วร่างกายนั้นถึงจะแข็งแรงยังไ มันก็อ่อนแอไปตามใจนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นดันั้นต้องเข้าใจว่าเมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายของตนให้แข็งแรงดีแล้วอย่างนี้เราก็ตัวเองก็ตกแต่งตัวเองเนี่ยจิตใจนั่นนะตกแต่งจิตนั้นให้เข้มแข็งขึ้นเหมือนกับร่างกายเชื่อมั่นใน ธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นว่าเมื่อตอนลงมือปฏิบัติตามแล้วย่อมได้ผลแน่นอนย่อมกมจัดอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางไปได้จริงๆนี่เมื่อเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียยค้านนะเพราะว่ามองเห็นกิเลสนั้นมันเหมือนกับเป็นศัตรูของตนมา ตั้งแต่ก่อนนู้นแน่นอนแหละทว่าแล้วนะกิเลสนี่มันก็เป็นศัตรูของจิตใจอันนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยเหมืนอนก็คอยแต่จะก่อทุกข์ให้แกดวงกิจนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เรายังจะมานิงนอนใจได้อยู่ไงในเมื่อศัตรูมันตามสะกดรอยอยู่ เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมหรือว่าตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเจริญปัญญาอยู่อย่างนี้กิเลสบาปรธรรมอันนั้นมันก็เข้ามาครอบงําจิตไม่ได้มันก็คอยอยู่อย่างนั้นแหละพอเราเผลอตัวประมาทเมื่อใด ลืมเลือนธรรมะที่ตนได้บำเพ็ญได้เกิดให้มีขึ้นมานั่นเสียวันนี้ก็เป็นช่องว่างให้กิเลสมันเกิดขึ้นได้เลยวันนี้ออแทรกแซงขึ้นครอบงําจิตใจได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะชีวิตของคนเราเนี่ยให้เข้าใจเผลอไม่ได้เผลอเมื่อไรกิเลสมันแทรกเข้ามาทันทีดันงนั้นอย่าไปอ่อนแอ ถ้าเราไม่ฝึกตนในชาตินี้ชาติต่อๆไปก็ได้ฝึกเหมือนกันเลยถ้าไม่ฝึกตนก็พ้นทุกไปไม่ได้อจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยคนที่ไม่ฝึกตนเนะหมือนาำ ว, ว่าไม่ฝึกตนให้ทําความดีให้สูงยิ่งขึ้นไป การทำความดีก็ทำแต่นินดๆหน่อยๆอย่างนี้นะทำแต่นินดๆหน่อยๆมันก็พอจะบาให้ได้เกิดเป็นคนขึ้นมากับเขาเท่านั้นแต่ไม่มีสติปัญญาอะไรเลยไม่มีความบากบั่นมั่นหมายว่าจะทำความเพียนละกิเลสตัณหาโมนีไม่มีอย่างนี้นะ ดังนั้นเมื่อผูใ้ใดตื่นตัวในชาตินี้แล้วก็รีบเร่งทําความดีเข้าไปฝึกตนเข้าไปอบรอมจิตของตนให้เข้มแข็งขึ้นให้มันเฉลียวฉลาดขึ้นมาถึงว่าตนยังละ ก, กิเลสไม่หมดในชาตินี้ได้ก็ตามถ้าตนได้ฝึกตนให้เต็มที่อย่างว่านั่นแล้วเกิดไปชาติหน้าต่อไปนี่ ก็จะเป็นผู้มีสุขภาพทางกายสุขภาพทางจิตใจเข้มแข็งขึ้นไปพร้อมๆกันเพราะว่าบุญกุศลหรือความดีที่ตนอบริรมให้เกิดให้มีขึ้นในชาติปัจจุวันนี้นะมันจะเป็นอนุคามินี่ติดสอยห้อยตามไปอำนวยผลให้แก่บุคคลผู้กระทำ แล้วก็ไปเกิดในภพดั น, นั้นในชาติตั น, นั้นบุญกุศลความดีเหล่านี้มันก็จะไปอำนวยผลให้ให้เป็นผู้ที่มีสติมีปัญญารู้แจ้งในเรื่องดีเรื่องชั่วได้เห็นทุกข์เห็นภัยในวสวตทสงสารได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ ตนก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอยู่แต่ถ้าว่ากำลังสติปัญญามันหักไม่แหลมคมเต็มที่ไม่สามารถที่จะละอุปทานนี้ขาดได้ในปัจจุบนันนี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติด ต, ตามไปความรู้อันเนี้ยเมื่อเกิดไปชาติใดพอได้ฟังคำสอนของพทธเจ้าแล้วมันก็ เกิดติพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารนามรูปอันนี้ก็มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนนะมเมื่อนั้นแหละผู้นั้นก็รีบเร่งทำความเพียรเฟื่องขใจให้สงบประ ง, งับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเหมือนอย่างพระสาวกแต่ก่อนนู่นแหละเมื่อได้ฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เห็นแนวทางข้อปฏิบัติอันจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ได้จริงๆแล้วท่านก็ตั้งความเพียพรพยายามลงไปไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดท่านก็บรรลุมรคผลธรรมวิเศษไปตามวาสนาบา ร, รมีของตนของตนแม้ผู้เป็นทายกทายิกาก็เหมือนกันท่านก็ไม่ประมาท ร, รีบเร่ง สั่งสมบุญกุศลทำความเพียรทางจิตใจเข้าไปเช่นเดียวกันเมื่ออินรีบารมีแก่กล้าแล้วก็สามารถบรรลุมรคลได้ในชาติปัจจุบันถ้าไม่บรรลุถึงอารหาัตผลก็เรียกว่าบรรลุมรคลในขั้นต้นก่อนนักว่ชทำชีวิตให้เป็นเหมือนดังแสดงมา